สำหรับวันนี้เป็นวันแรกเราก็ลองสัมผัสดูว่าการปฏิบัติหรือทวนกระแสความรู้สึกเดิมๆเนี่ยมันยากนะเพราะว่าในคำว่าปฏิบัติแปลว่าทวนกระแสว่า ในชีวิตประจำวันของเราเคือจะไหลลื่นไปตามกระแสของความรู้สึกชอบบ้างไม่ชอบบ้างหรือเฉยเฉยบ้างหลายไปตามตามกระแสเนี่ยนะระหว่างความรู้สึกชอบไม่ชอบและเฉยเฉยเนี่ยในชีวิตประจำวันเคยสังเกตบ้างไหมว่าความรู้สึกอันไหนมากกว่าสามอย่างเนี้รู้สึกพอใจไม่พอใจเฉยเฉยชอบ ไม่ชอบเฉย ๆ, ๆดีใจไม่ดีใจเฉย ๆ, ๆในสามความรู้สึกเนะี่ยวันหนึ่งเนะี่ยความรู้สึกอันไหนที่กินระยะยาวและบ่อยกว่าเพื่อนอส่วนใหญ่ต่อวันเนะี่ยความรู้สึกสาประเภทเนะี่ยถ้าเป็นสกิล แล้วเนี่ยอันไหนมันหนานแน่นกว่าฮะเฉยๆนะรู้ไหมว่าเราเฉยขณะที่เราเฉยเนี่ยเรารู้ไหมว่าเราเฉยไม่เคยรู้ใช่ไหมขณะที่เราพอใจเรารู้ไหมว่าเราพอใจเราก็ไม่ได้รู้ใช่ไหม ขณะที่เรารู้สึกไม่พอใจเรารู้ไหมว่าเราก็ไม่พอใจค่อน mm hmm. ข้างชัดใช่ไหม <Okay. S 1> มันแรงแต่ในช่วงที่พอใจแล้วก็อินเลยใช่ไหมเพราะนั้นทั้งหมดเนี่ยควารู้สึกทั้งพอใจไม่พอใจเฉยๆดีไม่ดีเฉย ๆ, ๆชอบไม่ชอบเฉย ๆ, ๆสุขทุกเฉยๆเนะี่ยมันมีอารมณ์อยู่สามกลุ่มในชีวิตประจำวันระหว่างสุข ทุ ก, ก็เฉยเฉยอะไรรู้สึกมากกว่าที่จิตใจสัมผัสได้ไม่เอาไม่เอาร่างกายเป็นหลักนะที่จิตใจสัมผัสได้ระหว่างสุขทุกข์ก็เฉยเฉยเนี่ยสัมผัสอะไรได้มากกว่าทุกข์อ่เอเห็นถ้าจะต้องให้ไปสํารวจใหม่นนะพวนีจริงเราก็ไม่ได้ทุกข์อะไรมากานะ แต่อันหนึ่งที่เราไม่ไม่นะคือเราไม่รู้ว่าเราทุกเฉยเราก็ไม่รู้ทุกก็ไม่รู้ลักษณะของความไม่รู้จากอาการเรารู้อยู่นะชอบแต่เราไม่รู้อาการมันมาจากไหนเรารู้สึกไม่ชอบเราก็ไม่ทันรู้อาการมาจากไหนมันเกิดขึ้นได้อย่างไรบางครั้งเราส่วนใหญ่เราก็เฉยเฉยนะดังนั้นตัวความรู้สึกเฉยเฉยเนี่ยมันมีเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว ทุกคนแล้วมันก็มีบ่อยมีมากกว่านะแต่ถ้าหากตัวเฉยๆเมันมีสองลักษณะเฉยนะพ่อเจ้าคุณปยุทธ์ท่านให้จำกัดความว่าเฉยเมยกับเฉยมองแล้วเฉยประเภทไหนอนชื่อเจอวันเฉยเมยได้เฉยมองเฉยมอง ถ้าเฉยแล้วมองดูอยู่นี่เรีว่ารู้ว่าเราเฉยนะถ้าเฉยมือเราไม่รู้ว่าเราเฉยถ้าเราเฉยมยหรือไม่รู้ว่าเราเฉยเราเรียกว่าโมหะใช่ไหมแต่ถ้าเราเฉยเรารู้อยู่ว่าเราเฉยตรงนี้เขาเรียกว่าตัวสติใช่ไหมยอะเราเฉยทีนี้ไอตัว รู้สึกว่า เ, ออเราเฉยเนี่ยเราก็ตัวนี้มันก็จะเป็นฐานให้เกิดสมาธิและปัญญาต่อมาแต่เนื่องจากว่าช่วงที่เราเฉยแบบไม่รู้เนี่ยมันเยอะกว่าเฉยแบบรู้นะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เฉยแบบเราไม่รู้เนี่ยเป็นเฉยแบบสัญชตาตญาณเราเรียกว่าโมหะหรืออวิชชาทีนี้เรามาปฏิบัติภาวนาเราก็ต้องการอยู่กับความรู้สึกเฉยประเภทแต่ว่าเราอยู่อย่างมันกับมันอย่างรู้สึกตัว เพราะฉะนั้นเราจึงเปลี่ยนตัวตัวนี้มาเป็นสติสมิญยะได้ง่ายนะคือรับรู้อยู่แต่ว่ารับรู้เฉยๆแต่ต่อระยะต่อเนื่องของความรู้เฉยๆให้รู้ว่ามันรู้สึกเฉยๆต่ให้มันยาวขึ้นไปที่ที่บอกมาตอนเช้าว่าได้แก่ตัวสตินั่นเองนะดังนั้นโดยทั่วไปเนี่ย หลวงพ่เทียนท่านบอกว่าในคนทุกคนเนี่ยถ้ามันไม่มีภาวะรู้ประเภทนี้อยู่เนี่ยจิตเขาจะผิดปกติจิตเขาจะเป็นโรคจิตโรคประสาทได้ไวติตของเขาจ ะ, ะเรียกว่ามันตกไปเป็นธาตุของอารมณ์ได้เร็วแต่คนไหนที่ที่รู้ว่าเฉอยอารมณ์มีอยู่แล้วเข้าไปรู้กับมันตัวนี้จะเป็นจิตของเราก็าจะมีพลังมีความเข้มแข็งไปมีสติสัมยา ปกติและค่อนข้างดีแต่ในแง่ของกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานต้องการให้จิตตัวนี้มันมีกําลังมากกว่าและต่อเนื่องด้วยเพราะถ้าว่าจิตตัวนี้มันมีกําลังมากขึ้นมันก็จะไปกินเนื้อที่ของความพอใจไม่พอใจได้มากขึ้นความพอใจไม่พอใจก็จะน้อยลงไปน้อยลงไปเรื่อยในที่สุดความรู้สึก ซ, ซ, ซ, ซ, ซื่อเฉยเฉยเนี่ยนั่นใช้คําว่าสักดวารู้สักดวะรู้ เห็นเสตราว์เห็นได้ยินเสตราว์ได้ยินแต่ไม่มีความพอใจหรือไม่พอใจอยู่ในนั้นเราต้องการขยายพื้นที่ของตัวนี้ที่มาภาวนาเนี่ยทไมเราจึงเดินนานๆนั่งนานๆเดินนานๆเพื่อต้องการปกครองขีดตัวนี้ให้อยู่ให้นานที่สุดจนกระทั่งว่ามันเป็นอะไรขึ้นมาเป็นทักษะเป็นนิสัยขึ้นมาแล้วเรามองดูเฉยๆเรื่องช็คว่าอุเบกขา สัมพชูชงอุปขฆามีสองตัวนะเขาเรียกอุปขฆาวเวทนาคือเฉยเมยถ้าอุปขฆาสัมพชูชงเรียกว่าเฉยมองคือหมายเขามองอยู่นะฉันรู้อยู่นะแต่ถ้าคือลักษณะเตรียมพร้อมอะมองอยู่แต่ถ้ามีเหตุจําเป็นที่จะต้องชาร์จก็าชาร์ดได้ทันทีเหมือนกันแต่ถ้าไม่มีอะไรที่ผิดปกติฉันก็มองดูเฉยๆเตรียมพร้อมลักษณะที่เป็นลักษณะเตรียมพร้อมเสมอเดัะนั้นเอง ถ้าหากว่าเราปฏิบัติภาวนาเราเข้าใจตรงนี้แล้วก็สามารถทนอยู่กับมันได้นานๆทนอยู่กับมันได้นานๆมันจะค่อยๆกินลึกลงไปลึกลงไปในความรู้สึกที่ละเอียดขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็จะเข้ามาลําดับอะไรที่มากระทบเป็นเหตุให้เกิดความพอใจไม่พอใจเนี่ยเราก็จะไม่ไหลไม่อินกับมันได้เร็วเราก็ดูมันเฉยๆก่อนรู้สึกพอใจก็เฉยๆนั่นนั่นเองตัว ความพอใจไม่ความพอใจนี่เองเป็นต้น ต, นต้นต้นต่อให้เกิดความอะไรที่เราอยากเราติดเราชอบเราโลภเราหลงเราใคร่เราทะเยอทยานไปจากตัวชอบใจเล็กๆนี่แหละแต่ว่าเราไม่ได้รู้เท่าทันมันมันก็จะเติบโตเรื่อยๆขึ้นไปจนมีอํานาจเหนือเรานะก็มีอำนาจเหนือเราเราอยากได้อะไรชอบอะไรปั๊บเนี่ยถ้าไม่ได้เนี่ยมันเดี๋ยวโว้ โกวนกวนดิ้นรนมากเลยเพราะมีอำนาจเหนือเราตรงนั้นแล้วความไม่พอใจมันก็เริ่มต้นไปจากทีละนิดอย่างนี้คือไม่ชอบใจไม่ยินดีไม่พอใจในสิ่งนั้นแต่เราไม่รู้ทันมันมันก็จะสั่งสมไปเรื่อยๆเหมือนกันจนวันหนึ่งมันมีกำลังเหนือเราเมื่ออะไรมากระทบแรงๆเนี่ยเราไม่สามารถจะทนกับมันได้มันก็บังคับให้เราทาตามอานาจของมันนะ แต่พอเรามาเจริญสติเนี่ยเรารู้เท่าทันความพอใจไม่พอใจจุดหน่วยเล็กๆเนี่ยรู้เท่าทันมันทุกครั้งการรู้เท่าทันมันทุกครั้งหมายความว่ามันถูกเจื่ยจางเหมือนเราใส่น้ําเปล่าลงไปทุกครั้งเพราะนั้นมันก็จะไม่มีกําลังที่จะเข้มข้นเพราะมันถูกเชือจางเสก่อนนั้นนั่นมีเหตุอะไรให้เกิดความพอใจไม่พอใจอย่างรุนแรงเนี่ยเราก็สามารถมีความยั่งคิดได้ง่าย เพราะเนื่องจากมันไม่มีกําลังเพราะเราไม่ได้สั่งสมมันแต่สําหรับปุถุชนคนทั่วไปที่ไม่ได้ฝึกวิปัสสนาแล้วจะไม่รู้เท่าทันอาการเหล่านี้ในส่วนที่มันละเอียดหรือเล็กๆแต่จะไปรู้เท่าทันแต่ว่ามันมีอาการที่รุนแรงแล้วซึ่งตรงนั้นมันก็ค่อนข้างมีผลละมีผลต่ออารมณ์มีผลต่อพฤติกรรม ดน้นการมาภาวนาคือการมารู้เท่าทันหน่วยเล็กๆของความรู้สึกสามประเภทนี้ความพอใจไม่พอใจเฉยๆเมื่อรู้เท่าทันสามประเภทนี้ตัวความรู้สึกเฉยๆก็จะมีกำลังมากขึ้นนะเมื่อตัวรู้สึกเฉยๆซื่อๆนี้มีกำลังมากขึ้นก็จะสามารถสร้างพลังจิตสร้างพลังความอดทนและสร้างพลังทางปัญญาได้สูงขึ้นไปเรื่อยๆ ซึ่งเราก็ถ้าเข้าใจคอนเซปต์หลักอันนี้แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะประคองมันให้ได้นานที่สุดแล้วการอยู่ที่มีความสุขความสงบความละเอียดความประณีตของจิตมันก็ง่ายขึ้นจิตก็นิ่งได้ขึ้นตัวนี้เองที่มันจะไปเปลี่ยนเป็นสัมมาสมาธินะคือความจิตตั้งมั่นแบบรู้จิตตั้งมั่นแบบมันพร้อมที่จะทําให้เกิดตัวญาณตัวปัญญาตัววิปัสนาญาณต่างๆ ดังนะนั้นเองการที่เราต้องทําซ้ําๆอยู่นานๆเนี่ยนะมันเหมือนเรือการหยั่งรากของต้นไม้ถ้าต้นไม้ต้นหนึ่งถ้ามันถูกถอนบ่อยๆเนี่ยต้นไม้ต้นนั้นก็จะไม่โตคือตายไวเพราะนั้นต้นไม้ตัวไหนที่มันขึ้นตรงนั้นแล้วมันก็โตตรงนั้นมันก็ไปข้ามาเรื่อยๆมีโอกาสหยั่งรากลึกไปลึกไปลึกไปจิตของเราเหมือนกันถ้ามันตั้งมั่นอยู่ในนะนะอารมณ์ปัจจุบันได้นานเท่าไหร่จิตของเราก็จะมีรากที่ลึกเป็นมั่นคง มันคงทางสติทางสมิธทางปัญญาก็มากขึ้นนะตัวนี้เองที่เป็นรากฐานไปสู่ตัววิปัสสนาญาณนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยถ้าเราสามารถเข้าใจความหมายที่แท้จริงตรงนี้ได้เนี่ยมันก็ไม่ยากเพราะทุกคนมีภาวะารู้อย่างนี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าเรายังไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงของมันเพราะฉะนั้นเราก็ยังให้ คุณค่าให้ความหมายตัวคําว่าชอบไม่ชอบอพอใจไม่พอใจอยู่แต่นนคนทั่วไปเขาก็จะเพิ่มความพอใจให้มีกําลังพยายามที่จะอินเตอร์เทนตัวเองด้วยรูปเสียงกิริยสัมผัสให้มีกําลังถ้ากินอาหารก็จะกินอาหารให้อร่อยกินอาหารธรรมดารถธรรมดาได้กินไม่ได้ดูรูปอะไรก็ต้องดูรูปอะไรที่มันสนุกสนานตื่นเต้นเระลใจให้รสความให้กําลังให้รสชาติมันมีกําลัง จะฟังเพลงอะไรฟังเพลงที่มันเรียกว่าเราจิตเราใจรูปเสียงกิโิสัมผัสทั้งหมดเนี่ยมันก็มีกําลังปลุกเราในที่สุดตรงนั้นเองมันก็ทำให้อารมณ์ของเรามีความรุนแรงมีความสั่นสะเทือนได้ได้เร็วได้แรงแต่ามาภาวนานี่หมายถึงว่าเราจะต้องอถอดถอนอานาจของความพอใจไม่พอใจนี่ออกมาเรื่อยๆเพื่อไม่ให้มันมีอํานาจเหนือเรา อันนี้คือความหมายของการมาภาวนาเพื่อทําจิตให้อยู่กับภาวะรู้ตื่นเบิกบานเนี่ยที่หลวงพ่อเทียน ใ, ใช้คำว่ารู้ซื่อเนี่ยคือดีนคํานี้เนาะรู้ซื่อหูซื่อของหลวพ่อเขาเขียนเนี่ยนะตั้งการรู้ซื่อรู้เฉยๆเฉยมองนานั้นบางคนใหม่บางคนสงสัยว่าทำไมทํำนักทรรมะทำนานอะไรเราไม่เคยทํานานๆแบบนี้ใช่ไหม แต่ให้รู้ว่าเราต้องทนต่อมันหน่อยเพื่อที่ต้องการขยายพื้นที่ของความรู้เฉยเนี่ยให้มันกว้างขึ้นเพื่อให้มันไปกินเนื้อที่ของความพอใจไม่พอใจซึ่งมันจะอิทธิพลต่อเราแล้วก็เป็นพลังที่จะไร้ที่จะขับเราเนี่ยให้ต้องเวียนว่ายไตเกิดตามอํานาจของมันเพราะนั้นตัวพลังสองอันนี้ก็เป็นพลังบวกลบพอใจไม่พอใจใช่ไหมพลังของบวกลบเป็นพลังเกิดทั้งสองด้าน แต่ตัวรู้เฉยๆจะเป็นพลังดับเราต้องการที่จะเพิ่มพลังดับรู้เฉยๆเนี่ยให้มากเพื่อที่จะลบพลังเกิดนยโรคกันเกิดเป็นทุกข์มันก็ไปเกิดด้วยอํานาจสองอย่างนี่ยอานาจของพอใจไม่พอใจนะเพราะนั้นเองเราก็ในฐานะที่ว่าเป็นมนุษย์ถือว่าเป็นสิ่งชีวิตมีพัฒนาการสูงสุดกว่าสัตว์ทั้งหลายเราจําเป็นต้องมาถึงจุดนี้ถ้าเกิดเป็นมนุษย์นะถ้าเกิดเป็นมนุษย์เราเดินทางไม่มาถึงจุดนี้ นั้นก็แสดงว่าชาติของความเป็นมนุษย์ของเราในเสียไปโดยที่ไม่ได้อะไรเลยนะแต่ชาติที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เรามีโอกาสได้พัฒนาตัวนี้ถ้าสมมุติว่าเราไม่สามารถที่จะจบภารากิจในการทําลายสมุทยัยหรือรากฐานของทุกได้าชาตินี้มันก็จะเป็นปัจจัยให้เกิดที่จะไปทําในชาติต่อไปได้เร็วขึ้นเนี่ยที่ที่เราต้องการทําอย่างนี้นะเพราะการเกิดที่เวียนว่ายใจเกิดอยู่เนะี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่สนุกเลยนะ เ, เรื่องที่เรียกว่าบางชาติเราถูกฆ่าบางชาติเราเป็นฆาตรกรบางชาติเราถูกค่มขืนบางชาดเราถูกทรมานเป็นฆาตรกรเป็นคนคุกเป็นอะไรต่างๆเวียนไปเวียนมาอย่างนี้ซึ่งมันมันไม่ใช่เรื่องสนุกเลยนะแต่พอเราสามารถที่จะรู้ที่จะลีกเลี่ยงภาวะเหล่านี้ได้เนี่ยถึงแม้ว่ากิเลสเราไม่หมดต้องเวียนว่าแต่เกิดในชาติต่อไปแล้วก็ปลอดภัยนะก็ปลอดภัยนะเพราะฉะนั้นนี่คือการปฏิบัติเพื่อสร้าง อุปนิสัยได้หลายๆลิบิติถ้าเราไม่สามารถที่ทำให้มันหมดลากรูธแห่งทุกในปัจจุบันได้ก็ในชาติต่อไปก็ง่ายขึ้นท่านเองนะเพราะนั้นวันนี้เราก็เริ่มรู้จักตัวนี้ขึ้นสำหรับเย็นนี้หลังจากทาวัดเสร็จแล้วเนี่ยจะมาอาจจะให้พระท่านทำหน้าที่ต่อเพราะวันนี้วันที่13าตุลาใช่ไหม ตางหอจุดหมายเหตุเขาจะภาวนาข้ามคืนอันนี้มดุาตะมาไปเปิดฟล์ให้ว่างั้นให้เปิดรายการให้อาจจะกล่าวมาไม่ทันนะนะแต่ก็จะมาทางวัด ร, ร่วมอยู่แต่แล้วเขามารับตอนไหนพอภาวนาให้ในหลวงทั้งคืนวันนี้นะ่ครบรอบหนึ่งปีเคยไปนําภาวนาแต่มาบอกว่ามาอยู่ขค่ำคืนไม่ได้นำะมาสุขภาพไม่ดีเพอาะนำภาวนาเสร็จแล้วก็พากันต่อค่ำคืนออกมาก็กลับ น, ะนี่กันะ อาจจะใช้เวลาไม่นานเพราะนั้นเลยกับ<ม>พระพร้ อ, อมกันพร <c oughs>